ฟังทากันเนาะเรามีงานมีกาอเรามีหน้าที่ชีวิตของเราเป็นอ น, นาคลิกะในชีวิตเดินเวิร์ผู้อื่นก่อนเรียกชีวิตเขา ของเราก็มีชิขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตให้ชีวิตของเราไดเจริญทั้งสองอย่างทั้งรูกประธรรมทั้งนามะธรรมส่วนทั้งลูกปรธรรมก็เนื่องด้วยผู้อื่นที่เขาให้อาหารส่วนชิขาและธรรมต้องพึ่งตนเองคนอื่นให้ไม่ได้ สิขาและธรรมที่เกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีอาชีพคือกรรมฐานเป็นอาชีพสร้างสิกขาและทํามไม่เกิดขึ้นคือศีลสมาธิปัญญาเกิดจากวิชากรรมฐาน วิชากรรมฐานให้ผลเป็นวิปัจสนารู้แจ้งเห็นจริงเมื่อรู้แก้งเห็นจริงก็ทานําพาไปถ้าไม่รู้แจ้งทาก็ไม่เกิดไม่สุวิปัจสนาทาก็ไม่ได้พาไปวมอาธรรมพาไป อาธรรมพาไป น, ำไ ป, น, ปไปนำไปสู่โลกอาธรรมพาไปนำไปสู่สุกติมาผลนิพพานชีวิตเรามีสองทางมีอาธรรมมีธรร ม, ม, รรมที่มันเกิดขึ้นได้กับกายกับใจกับรูปกับนามนี้ส่วนอาธรรม ไม่ได้สร้างไม่ได้ประกอบมันเกิดขึ้นมาเองเพราะมันมีสมุทยมีสังขารในวิญญาณในตัวลูกนี่มีตามีหูจมูกลิ้นกาใจมีลูกมีรสมีกลิ่นมีเฉียง มีสมัมผัสมีอารมณ์เป็นภาะนอกภายในมันเป็นสะพานลับกันก็ให้เกิดอาธรรมขึ้นมาได้เราเห็นรูป ก, ก็หลงความหลงก็คือ <c oughs> เป็นอาธรรมต้องไม่นำพาไปสู่ความไม่พอใจและความพอใ จ, อใจเกิดขึ้นหรือ ว, ว่าอาธรรมดำไป ไห่รู้แจง้งให้ความพอใจให้ความไม่พอใจเป็นอาหารของนามธรรมเมื่อเมอนามธรรมะระับบางหารเช่นนี้ก็จะเลืนไปสู่อาบายจึงมีธรรมน้ำผามีวิชาชีพคือกรรมฐานมีที่ตั้งใกนการกระทา ม, มีสติ สงปัญญะคอยดูเดกกายใจให้มันอยู่ในความถูกต้องความไม่ถูกต้องก็จะได้เห็นเมื่อในปฏิบัติธารมนั้นเช่นละมกรรมฐานปวิปัสสนาเกิดเคลดวาเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนาม ลูกนี่นามนี้มันก็มีการเกิดดับเกิดดับอาการที่เกิดดับของลูกของน้มนี้เกิดได้หลายอย่างถ้าเรามีวิปัสสนากรรมฐานจะเห็นความเท็ความจริงเห็นคางค วิปัสสนากรรมฐานแห่ความรู้แจ้งเห็นจริงๆแจ้งจริงๆเข้มขวมหลงไม่ถูกต้องความไม่หลงถูกต้องเมื่อพร้อมกันก็ได้ทํานําพาไปเลือกได้ว่าความไม่หลงพาไปเครื่องทุกเกิดขึ้นก็ได้รู้แจ้งว่าไม่ถูกต้องความไปทุกถูกต้อง เสนอทางให้เลือกสัมผัสดูแล้วไม่มีใครเลือกความทุกข์ถ้ามีวิปั จ, จนาลูกแจ้งจะเลือกความไม่ทุกข์ก็จึงเกิดทำลำพาไปง่ายๆตอบได้เองทุกชีวิตถ้ามีวิชากรรมาฐานถึงวิปั จ, จนาก็ อ, อาจออกเขียนได้ใช่กายใช่ใ จ, จอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดร่าใจเมื่อใช่ผลถูกต้องมันก็เกิดมากเกิดผลเกิดนิพพานมีคุณมีค่าเป็นประโยชน์ต่อกายต่อใจต่อรูปตอนามต่อญาติต่อโลกต่อพษศาสนาไ้ไกล เดี่ยวคนเดี๋ยวก็เอาขนส่งไปด้วยหรือว่าขนส่งธรรมะขนส่งเรียว่ายานขนส่งเกิดขึ้นอยู่ไม่ได้ต้องมีผู้จารีคนไม่พูดได้หู ด, ดวกได้ยินเสียงขนวิเดินได้ภาษาของ าศาสนาภาษีอาญาแม่ตายคนไม่ไม่เคยพูดได้ก็พูดได้คนหูหนวกไม่เคยได้ยินก็ได้ยินคนพิกลพิการเดินไม่ได้ก็เดินได้ถ้ถึงาศาสนาภาษีอาญาแม่ตายผมไม่เห็นแจง้งไม่เคยพูดก็พูดได้ออกปากออกมาเป็นคําพูด ที่ผิดที่ถูกได้เห็นคุณเห็นโทษพวกเกิดการช่วยเหลือบอกการสอนกันอได้ไม่ปล่อยกันทิ้งถ้าบอกกันว่าความหลงไม่จริงความไม่หลงมันจริงความโกรธไม่จริงความไม่โกรธมืนจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เมือนจริงนี่คือคนใม่พูดเป็น แต่ก่อนพูดอย่างนี้ไม่เป็นพูดไม่ออกอายคนมันก็อายเสียงมันก็พูดในที่สาธารณะผู้ก็พูดกับพี่กับน้องนิดนิดหน่อยหน่อยมันเป็นใบพูดความผิดความถูกไม่ถูกไม่เป็นพู้ก็พูดไปอย่างอื่น คนนั่นได้เข้างามคนนี้ได้นาดีคนนี้ได้วัวไขงามอะไรก็งามเป็นวัตถุไปภายโลกหมดเอาวั น, นมากำหนดรูปนามให้อันอน้มากาหนดให้เป็นศุนเป็นทุกข์กับสิ่งอื่นเ่องไปเฉกับสิ่งอื่นว่าคนใบ้หูหนวกคน เปียทีการเดินไปสู่ความถูกต้องไม่เป็นเดินจงกรมก็ไม่เป็นควสมาธิก็ไม่เป็นคำว่าศีลสมาธิก็คือไปขอเอาปานาติปาตาเปริ ล, ลมาเนี๊ยว่าตัวไม่ศีล ก็ยังทุกข์ยังหลงอยู่ว่าได้แต่ปากภาษานงแก้วนกขุนทองนี่บอกคนใบ้พูดเป็นๆก็พูดภาษาไม่ใบ่ใบ้ไปคนพูดเป็นก็เป็นบอกผิดบอกถูกสินก็คือเวลามันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงนี่ไม่สินเกิดขึ้นอย่างนี้ แล้วความชั่วก็คือเล่าอย่างนี้ทำความดีคือทำอย่างนี้ได้เปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงกับขล่ยกับใจปลใจได้ประโยชน์โดยแก้ไขให้รัความดีความถูกต้องไม่ความเป็นธรรมความหลงไม่เป็นธรรมควมไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมคมไม่ทุกข์เป็นธรรม ความโกรธไม่เป็นธรรมความไม่โกรธเป็นธรรมเมื่อกายเมื่อใจได้รับความเป็นธรรมเช่นนี้ก็ง้องงามปัญญานเป็นฌานเป็นวิปัสสนาเป็นมกักเป็นผลเกิดขึ้นหมายกับชีวิตนี้มักผลที่เกิดกับลูกกับนามนี้ที่เป็นอริยสัพน์นี้เหนือการเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือรูปนี่นาะมนี่ถ้าเราใช่ถูกก็มีประโยชน์ถ้าใช่ผิดก็มีทุกมีโทษเราต้องบอกก่อนสอนกันนำกันต้องขี้ต้องนำผู้รู้ต้องขี้ต้องนำผู้ไม่รู้ไปขี้ไปดำก็ผิด ไม่รู้ไปขี้ก็ผิดเมื่อรู้ไม่ขี้ก็ผิดถ้าไม่รู้ไปขี้ก็ผิดทำให้คนหลงทิศหลงทางถ้ารู้แล้วไม่ขี้ก็ผิดเสียประโยชน์รู้แล้วตรงขี้แย่งแสดงออกไม่พิสูจน์ดูแล้วก็เป็นงานเป็นคารชอค อดม่ได้ทนมาได้มันเป็นอาชีพแล้วก็อาชีพของเราที่เป็นอานาคารีกะ บ, บุคคลก็มีงานอย่างนี้จึงจะคุ้มค่ากับการเลี้ยงชีตด้วยคนอื่นไม่เป็นบาปไม่อับเรียบสอนข้าวนลำบาท เท่าสองเท่ากำปั้นบันแน่นๆห่อกำปั้นใหญ่ๆเนี่ยกำปั้นของใครของมันยกขึ้นน้ําหนักก็ะเกนเลน่าประมาณสามสิบกิโลมิลลิกรัมจากยี่สิบหัวคำสามสิบหัวค ำ, ค ำ, คำอิมเท่านั้นไม่ไม่มากเสรงานการมากหมดเรี้ยวหมดแรงผู้ ก, การทํางาน กว่าจะได้บอกและสอนคนจะไปนั่งอยู่คันนาสอนมันก็ไม่ได้ต้องมีสถานที่ให้คนมาอยู่อาศัยอะไรเป็นงานเป็นการเกิดขึ้นมาเป็นวัดวารามนิวัดได้แบบได้แผนอยู่เสมอมง่ายง่ายไม่ยาก พระพุเจ้าเพียงจะบอกว่าจงเป็นนักปวดเป็นพิกชูเมื่เถิดทำไว้ไหนตอดไว้ดีแล้วจงบอกพืชนมทำไว้ไหนนั่นเถิดจงบอกพืรรินำทำทว้ไหนให้เป็นที่ชิ้นทุกข์เถิดเท่านี้สามารถนําไปปฏิบัติเป็นพระอาหารหันต์ได้เขอทำไว้ไหน วิคือวิเศษในัยยะนำไปสู่ควาวิเศษความหลงไม่วิเศษก็ไม่หลงวิเศษนำไปแล้วควาทุกข์ไม่วิเศษคมไม่ทุกข์วิเศษนำไปแล้ ว, ว, ว, ว, มม ว, ป, ลวปฏิบัติตามที่ไหนคือปฏิบัติตามความถูกต้องที่เหมือนเกิดกับการกระใจเรานีงถ้าเราไม่วิชากรรมาฐานก็เห็นนี่สติปเนากายูเป็นประจำ เห็นกายสว่ากายนั่นไมายจะจัดบุคคลตัวตนเราเขาแต่ก่อนเรากายเป็นตัวเป็นต้นหมายเป็นถูกเป็นทุกมั้งเกิดเลยได้ไหลายอย่างเกิดจิเลตัญหาเกิดอุปทานเกิดพระพุชธเจาเจิดมันถือมั่นพอไปผิด ไม่มีกรรมาฐานมีสติภายในกายเห็นกายจะว่ากายไม่ช่ัดบุคคลตัวตนเลาเขาถอนความพอใจและความไม่พอใจที่เกิดกายออกมาได้เวลามือนสุกเหมืนทุกข์เห็นมันสุกเหนทุกข์สักว่าสุกว่าทุกข์ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถอนความพอใจและความไม่พอใจในโูกออกเสียได้ กห็นควาคิดเตมมันแก่ดขึ้นมาไม่เอาความสุขความที่เกิดจากเกิดจากว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกจะได้เห็นธรรมก็สักว่าธรรมทั้งหลายทั้งหลายทั้งหลายในโลกนี้ธรรมมัธรรมชาติ กฎธรรมชาติหน้าที่ธรรมชาติอาการเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากว่าธรรมวสชชาตบุคคลตัวตนเราเขาถอนความพอใจและความไม่พอใจในลูกเสดายนี่ตามวินัยเพียงนี่ถอนความพอใจและความไม่พอใจหเออปฏิบัติตามธรรมวินยัย ถ้ามีความพอใจและความไม่พอใจให้ความพอใจความไม่พอใจมายอมที่ใจที่ว่าไม่ปฏิบัติตทำํทำไว้ไหนผิดศีนทุกคนจะรู้เองเมื่อมันเห็นอย่างนี้ทำไว้ไหนก็นำพาไปวิคือวินเสษในยะนำไปแล้วไปแล้วห ล, ลันหลงรู้เือได้ พความหลงไปแล้วเอาไว้หลังแล้วหมันทุกข์รู้จักว่าทุกข์พ้นไปแล้วเอาความทุกไว้หลังมันผานไปแล้วพ้นไปแล้วความดพ้นมาคือเอาไว้หลังความไม่ถูกต้องเอาไว้ข้างหลังไว้สู่ความถูกต้องอยู่ข้างหน้าก็ น, น้อมไปเป็นพลังเป็นศรัทธาเป็นความเพียรเป็น ปัญญาไปแล้วเพหลังเกิดจากความดีเห็นว่ากั้วพราะหลังเกิดจากความชั่วรบผดูแลธรรมดำกับธรรข่าวจะนัดธรรมดเสียจะเล่นทําข่าวคือธรามนี่ทราดำคือความหลงทราขาวคไม่หลงรรมดำคือความทุกข์ธรขาคไม่ทุกข์ นะาทำดามเสียจะเล่นคำขาวโอขาอนุขามะขามาเวจจะจ้าทรมังมนุษย์ส่วนมากจะวิ่งอยู่จากฝั่งนี้ไม่ข้ามไปฝั่งโน้นพอใจไม่พอใจคนส่วนมากหลาคนผู้ข้ามไปฝั่งพระิ涅槃มีน้อยนะไปทำขาว มันอยู่ในใจเราอยู่ในจิตวิญญาณเราสมบอดดูแล้วมันก็ไปเหมือนทมดำโดยคำตอบเองอย่างนี้าธรทมน้ำพาแต่อาธทำมนั้นมันก็ไม่รสชาติถ้าเราไม่รู้มัน มันทำให้เราเสพติดได้เหมือนกันมีเจชาติมีหลายอย่างในโลกนี้ลุงหนังน่ากว่าวัดลุงหนังลุละครมากกว่าวัดแหล่งอบายบุกปางกว่าโรงเรียนโพเภณีามากกว่าหมอ เียมันก็เป็นอย่างนี้โลกเนี่ยอย่างนีาฉันทาเขาเล่าเรื่องสุลาขอเล่าจักหน่อยดีไหมฮะฟังบ่ฟังยกเบือขึ้นดู่ <c oughs> <c oughs> อิอ่าเรื่องสุลาเลย เรียว่าอาธรรมนำพาอนโคสนาสุลานี่มาจากนกนกสรพัดนกมีคางโคกต้นไม้น้ำาขังนกก็ไปกินหมากไมมาคาบหมากไมมามาวางใส่ ที่น้ำขังขังคกต้นไม้มีน้ำมากมากไหลายอย่างพิกดีปีพิกไก่นกฟังประเภทก็ชิมพริกเมืเ่อดื่มน้ำข้าพริกมาก็วางพริกตรงที่น้ำนั่นก็ดื่มน้ำกอมหอขหองป้องอะไรต่างๆข้ามาอาหมกอยูนน้ำ น้า ม, มันขังครับพืชต่างๆหลายอย่างาก็กลายเป็นชุลาที่นกก็มาดืนมน้านกในป่าในโดนั่นมาเดือม น, น้าที่อ่างขังโคกต้นไม้นี้ทั้งหมดพอดื่มแล้วก็ลองเบนนวนแว่นอยู่ล่องเปียวจ้าอยู่ที่นั่นไม่นีไปไหน แลนี่เลีงก็หมากจิ้นอยู่บางตัวขึ้นลงไปแล้วก็ล ง, งาขาอยู่กับดินหื้นดินเมาอย่างที่เราเห็นช่างเห็นไหมที่วัดก็มี VCD ย่างกินหมากไม้ชนิดหนึ่งกินแล้วก็เมาเล่นเซซุกเซซายแล้วก็หยอกล้อกันเจ้พาพระราศี หายผานนายสุลลาหายผานก็หนึ่งชื่อว่าสุระเป็นพานแว่ลาสัตว์เห็นสัตว์ชมดูกันอยู่ที่นั่นก็ยิงก็ยิงเอามันนีไม่หนีไปไหนไม่เห็นกลัวอะไรไม่รู้จักบินหนีไม่รู้จัะหลบภายยังสนุกสนานพวกนกก็โล่งล้อมอมแป้งกันอยู่ที่นั่น หยอกลอ ก, กันอยู่ที่นั่นแล้าก็ยิงเอายิงเอาก็มาปิ้งกินก็ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยอยากรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นนที่นี่นกตั้งหลายหมายจินน้ำที่นั่นกน็ดูกันที่นั่นมืดไปหมดเลยยสุาะผานสุระขึ้นไปค้างคุก้นม้ดแล เราบอกไม่ไผ่ไปตักละมากินลองดูรอกินแล้วก็เมาถือเปี๊ยนกนกว่อนอยู่คนเดียวในป่าล่องแพงอยู่คนเดียวในป่าสนุกสนานเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกสนานก็เลยอยากให้พระลาชาคือพระเจ้าสมานวิทกินน้ำนี่ลองดูวมันมีความสุขรอยจ่าก็บอกไม่ไผ จ้กินคนเดียวมันก็พ้คนเดียวไม่สนุกถ้ากินหลายคนก็สนุกกันหลายคน <c oughs> นายพานนาจุลาก็เขาก็ บ, บอกว่าไปจากมาในเมืองมาประกาศว่าจะมาให้พระเจ้าสุภบิดากินดื่มกินหรือนี่พรกว่ากทำไม่ละชาพระเจ้าทำไม่าละชา เป็นใหญ่เห็นว่ามันจะเกิดอันตรายขึ้นต่อมนุษย์ต่อคนส่วนมากถ้ามาดืมด่มน้มได้แล้วจึงแปลงเพศเป็นพระอินหรือน้มกวดเหมือนกับพระเจ้าเหมือนกับนผ่านสุระถือมากำลังจะให้พระเจ้าสุบพิษดืม่มได้อย่างนั้นดีวนี้พระเจ้าสมวิษกาลังจะดืม่ม หลาชาแปลงเพศเป็นพระเย็นไม่อยู่ในหน้าบ้านของพระเจ้าสุภมิตรก็ประกาศถือน้าขึ้นมาน้านี่พิเศษจริงเลยอย่างอาธรรมนะถ้าใคเดื่มเพิ่ไปแล้วไปไม่บ้านก็นอนอยู่ได้แต่ว่าพระราชาต้องดือมเถิด น้ำนี้วิเศษจังเลยถ้าใครดื่มเข้าไปแล้วแม่ยายกับลูกเขยก็เสพสมกันได้น้ำนี่วิเศษจังเลยถ้าใครดื่มไปแล้วลูกเขยกับแม่ยายก็เสพสมกันได้ปู่กับกับลูกสะใภ้ก็เสพสมกันได้น้ำนี่วิเศษจังเลย แก ค, คือดื่มเข้าไปแล้วเพราะถูกของเจ้ากับข้าได้น้ำนี้วิเศษจึงเลยใครดื่มเข้าไปแล้วเมาแล้วขมขื่นชำเราใครก็ได้เหมือนกันพอเจ้าชมมีบิดได้ยินอย่างนี้ก็ขนหัวลุกเลยเลยว่าได้จำได้มันขนาดนี้รือไหนก็เลยสั่งให้ ำทำตั้งหลาย อ, อนน้ำนี่ไปฝังในดินให้ลึกเกตยูดอย่าให้คนได้กินเฮ้ยจุาก็พระเจ้าชมิดไม่ได้กินน้ํานี่เลยนายพนรนจุลาก็ถูกบับจะบ้านหลกพระเจ้าชมบิดได้ดื่มน้ําจับคุ้มคุ้มขงังนี่คือเรื่องจุลามันเกิดมาอย่างนี้เห็นไหมยิงไหม ถ้าการที่ใดไม่แต่เบารถช น, น, นตอนทาองตุนทางไม่แต่เมาวันที่สิบสองสิบสามนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงนะตี้จบก็ไม่รู้เพราะเมาปัญหาเกิดขึ้นเพราะเมายอะแยะในโลกนี่ฆาตกรเกิดขึ้นจากล่ามเมาเพาเจ้าชนพนิดก็คือ สัพมิตรที่จับจุลาทุกวันนี้ธรรมราชาคือธรรมะคือพระเจ้าสอนอยู่บ่อยมุกหยิมน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันนักเลงคู่หญิงจิ้มหอยทั้งนั้นนี่คือทำน้ำปากหลียกคืนมาให้ทำน้ำผาแล้วมันหลงเปลี่ยนหลงไปไม่หลงอย่าไปดื่มของเสพเ ต, ติดมีทุกข์มีโทูต หนึ่งเสียช็อปสองเกิดลูกสอมไม่มีใครว่าสงค์จะเป็นสามีภรรยาถือว่าไม่รักษาชรับถือว่าไม่รักษาลูกเมียถือว่าไม่รักษาตัวคนเมาเป็นเงั้นเห็นไหมล่ะฮะจริงอ่ะ อันกน็ม่เราบ่อามาดานวนเกียกีนอยู่บ้านมาหน่อย่เลียปากอยห่บานเมียจะงงนังขโมยนะกึนอ่ะทำนำพาเราให้อะไรดำมาถึงวันนี้อะไรนำพ า, พามาพาไปที่มานั่งอยู่นี่อะไรนำมา ที่ไปอยู่ในบอลในครับในแหล่งการอบายมูกอะไรนั่ไปก็ ป, ปิดอย่างดีประตูเขาปิดอย่างดีก็ไปเอาเข้าไปอทาทำน้ำไปกตามันอยากเห็นลูกก็ดึงหูดึงกายดึงใจไม่คืน เห็นกังเวนเป็นลูกเข้าอยู่เตะเ ล, ล่นดึงบางแล้วจะหมวกมันชอบหกดึงกายดึงใจไปจเหมือนลิงกาเหมือนลิงกายเหมือนสุนัขลูกสุนัขบ้านลิงอกขึ้นต้นไม้ลูกสุนักนออกขนน ก, น ก, ก่อนวิ่งเข้าแดนบ้าน กาเหมือนเด้งกายเหมือนลูกสุนัขเหมือนเดนมานลีดลีดเหมือนยอระเช้เอระเชยจะลงน้ำหูเหมือนนกจะเว้นขึ้นป่าแต่หมวกเหมือนลูกสุนัขป่าจะวิ่งโหนในป่าสัตว์หกชนิดเนะ่ยถาทำน้ำไปกับไปคนหน้าทางถ้าทำน้ำไ ป, ไ ป, าาำำไปจะรวมกันเดียวกันไปสูความดี ตาก็จะพาไปทางดีหูจะพาไปทางดีจมูกดีกายใจพาไปทางดีไม่หลงในลูกรูก้ไม่หลงในกินรู้ไม่หลงในโลสรู้ไม่หลงในเสียงรู้ไม่หลงในความยึดรู้เป็นอันเดียวเป็นทางเดียวกันถ้าไม่รู้ไปคนนอนทางแล้วนอนก็ไปทางอื่นไม่ได้นอนด้วยกายนอนอยู่ไม่ไปไม่นอนกับกาย หาเรื่องหม้ยศจะนอนไม่หลับดึงเงินไปไหมก็ไม่ฝึกหันเลยเศษีเป็นโลกัอาหารกินเข้าไม่ลงอาหารดีๆเนี่ยท้องผูกไม่ย่อยเลยคนจนกินนา่าเบก่อ้องย่อยหดหิวเศษีไม่รู้จากหิวมันบริภูกอารมณ์ขาทุนกำไรองต่อเคยไปอยู่ประเทศสิงคโปร์ มีนักปฏิบัติบม า, าปฏิบัติด้วยพอพัปฏิบัติจะวอ่อไปมาสะดุ้งขึ้นมาจยับเครื่องอะไรประกดดูบับขาดทุนแล้วเหลือ10นาที20นาทีขาดทุนแล้วเหลือ10นาที20เออมีกําไรขึ้นมาหน่อยสะดุ้งอยู่เดี่ยวเราทำอะไรก็ไม่รู้นะ ก็เลยถามเขว่ามันเรื่องอะไรคนนี่ผมก็มีหุน้นเร็วโมองนี่มาหุ้นขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแต่หุ้นเปลี่ยนแปลงผมก็กดดูผมก็มีกําไรไม่ขาดทุนอยู่ใจของมีแต่กําไรไม่จะขาดทุนอยู่เนี่ยไม่เคยว่างเปล่าเลยเพราะฉะ น, น, นั้นคนสิงคโปร์เนี่ยเป็นโลกประสาทมากที่สุดก็ราะว่ามันคิดเศรษฐกิจสมองมี เต็มไปด้วยเศรษฐกิจไม่ว่างจากโลกจิตใจไม่ว่างไม่ยินเสียงธรรมถ้ามีจิตใจว่างมีสติดีเพียงนั้นเดียวได้ยินแม้ก็เสียงต้นไม้พูดต้นหญ้าพูดอาจารย์พูทธท่านท่าว่าอย่างนี้จิตว่างได้ยินหญ้าพูดมันบอกผิดตรงตรงได้ เรเกียจวุ่นเราไม่ได้ยินอะไรเสียงเราทำกันน้ำไปเลยเมื่ืดบอดกันเลยยิงจะมาไปได้พวกเราเนี่ยมันมีตามีหูมีจมูกได้ยินการใจมีรูปมีลวดมีกิ่นิดเสียงรูปลวดจินเสียงเขาเสือดาวเทียมพี่ท่องว่าโพชนาให้เราเชื่อจินเล่าให้ดูสุบูลีให้ดู ยังเสบติดให้ดูงานอะไรที่ประหยัดตั้งหลายจินให้ดูทำมาเกื้ออะไรต่างๆทุกอยเราก็ติดกันหมดเด็กน้อยอาอยุสองขวบไปไปเป็นนี้ร่อนค่ า, าเป็นแล้วทุกวันเนี่ยแม่เจ้านี่ตามมาถอาเพ่อแม่ต้องซื้อให้ต้องจ่ายให้ ไปเชื่อจินได้สองขวบมีแล้วเห็นแล้วพอแม่ทำไปทางานรับจ้างต่อด้ยกลับมาต้องประจ่ายค่าลูกไปเชื่อไปเป็นหนี้ร้านค่าจีบา่าจีบา่าเขาเขียนไว้แต่ก่อนนั้นอาหารเกิดจากพ่อจากแม่ทำให้อยู่ให้จิน วันนี้พ่อแม่ไปทําให้ลูกกินกระดวกทํางานทําการเดี๋ยก่อนนี่ฝนเลี้ยงก่อนก็ก่อมลูกแม่ไปให้หมกไข่ไข่ม้าหาแม่ไปหน้าหมกไข่ปลาหม่าปอนแม่เลี้ยงงอนในปลาสวนมอญสวนมอญเอ้เกือบไปสงการผู้ยุบาลสงบดเป็นหนัง อนนี้แม่ไปให้อิอนใช้มือลูกกูมีเงินนะกมไม่มีเงินก็เชื้อกินเองก็เปลี่ยนไปลงกันการจิงวดรอมทุกวันนี่ต้องแวกออกมาพวกเรามแม่กอบ่าแม่มันจะดิบรลีมือปอดมันจะล้างทั้งทำน้ำไปทำน้ำไปก็แบกออกมาสวนก็นเสียช่นหน่อย ตราจะมันรีบลรีนแหละต่อไปจะแจ้งสวงขึ้นมาเกิดวิปัสสนาหย่อนขึ้นมาเรื่อนเหลาฝึกกรรมถานนี่มีสติแย่งไปเรื่อนไหวที่ใดรู้แม้มันไม่ชอบก็หัดรู้ไปทวนกระแสแม้มันหลงแย่งไปก็รู้ในความหลงต้องพยายามมีขดท่ามีความเพียรมีสติมีปัญญา สันถาสัทธาวิจัยจิตตวิวังคาหรือว่าเวืเพียนในอริมงในอริมักในอริยมักนะั้นองค์ที่ที่หองค์ที่เก็ดหรือว่าสัมมาทิทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมา คำว่าชําอาชีวะสัมมาวายามะเนี่ยความเพียรชอบเป็นอย่างใดเล่าวิจิตรทอวิวิเล่ปลกขึ้นมามีความเพียรใส่ใจมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนี่คือความเพียรเปลี่ยนรอายเป็นดีคือความเพียรเปลี่ยนผิดเป็นถูกคือความเพียรเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นความถูกต้องคือความเพียรมีไหมที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจหรือี่ ขณะที่เราปฏิบัติฝึกกรรมฐานผู้แขนเข้าเหยืีแขนออกรู้จึกตัวมันไม่ใช่เกิดความรู้สึกตัวอย่างเดียวมันเกิดความหลงเกิดอะไรต่างๆมาก็เขียนก็้าไปแม้มันลิบลีก็สร้างไปสร้างใบจะเจอแสงสว่างเกิดขึ้นสวยปัระนาญยานในความลหลงเลยลู่หลงแล้วลู่อีกหลงแล้วลู่อีกตรงนี้สำคัญมาก มันจะตื่นดรงนีถูกความหลงหลงมนเท่าไหร่เราลูกขึ้นมาลุกขึ้นมาจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือจิตใจเปลี่ยนไปในชั้นใดชั้นหนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาถูกหลอกคนถูกหลอกคนท้งฉลาดถูกความทุกข์หลอกถูกความหลงตกถูกความโกรธหลอก เคยเสียเปียบความหลงเคยเสียเปียบความทุกข์เคยเสียเปียบความโกรธได้มาสมบัติกระมวลรูมันก็บอกคิดบอกทางมันก็จะตื่นขึ้นมาตรงนี้เหมือนพูดแล้วพูดดีว่าเอาละตั้งแต่นี้ไปเภา ว, วาสุว่าทุกข์เกิดจากความคิดจะไม่มีอีกแล้วลประกาศออกมาประกาศอิจฉาบาปปลดปล่อยตัวเอยงอย่างนี้มันจะ มันไม่เปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนมาอย่างนี้ชีวิตจิตใจถ้าเราไม่หัดก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะโลกทับถมหมดเลยทำน้ำพาไปหมดเลยทำไม่ได้น้ำไปเลยไม่ค่อยเมีค่ายชีวิตเอาจึงต้องพากันมาฝึกหัดแต่ว่าจำเป็นจำเป็นต้องทาเอง มันแบ่งกันไม่ได้จริงๆมีเงินมีทองก็ซื้อไม่ได้ต้องทำเอาเองเรื่องอย่างนี้เป็นมนุษย์สมบัติยุเมือขึ้นรู้จักตัวใช่เลยแล้วตามก็เฉนี้ไปผู้ฝึกกรรมาฐานจะได้กแจพระเนพานทันทีเลยเห็นความหลงก็เห็นความรู้นี่ก็แฉพระเนพาน ไม่ได้หลงแต่พื้นเพื่มันมีความรู้อยู่พอใจกรรมฐานทำตั้งไว้นี่กับมานี้กับมานี้กระเสียอย่างนี้มันมันสบับปะทงอยู่เนี่ยทงใจพระอัหรหันอยู่เนี่ยมันเป็นได้หลงรู้ไม่อยู่กลับมาลู่เนี่ยเราวิชาก็ไม่อยู่ทําได้ทุกคนเนี่ยปลุกขึ้นมาลู่จุตตัว นี่คือกรมฐานให้เป็นชีวิตกรมฐานทั้งหมดในการใช้ชีวิตแบงพันกรรมฐานกินข้าวกรมฐานถามน้ำด้างหน้าอะไรต่ๆกรรมฐานดูชีวิตกรรมฐานนุ่งผ้าห่มผ้ากรรมฐานปวดบ้านถูเดือนกรรมฐานขึ้นบันไดลงบนใดกรรมฐานเดินไปเดินมากรรมฐานแม่บ้านกรรมฐาน พ่อบ้านกรรมฐานลูกกรรมฐานแม่กรัวกรรมฐานอาชีพเกษตรกร ก, กรรมฐานอาชีพขับรถกรรมฐานกรรมฐานนี่เป็นเป็นที่ตั้งในการทำความดีถ้ามีกรรมฐานเดีวไปสู่ความดีได้แน่นอนถ้ามมนมีกรรมฐานก็ปิดถนนหนทางเลยมืดไปเลยมามืดก็ไปมืด ใหมีกรรมฐานนำมามืดเป็นสว่างได้มาได้เป็นดีได้ที่นี่ก็ย้อนตัวจินก็ตั้งกองทุนกรรมฐานขึ้นมาเราชอบมากไม่เป็นกรมนกรมฐานผลกรรมฐานแม้เราไม่ชีวิตยอยู่ก็เป็นผลกรรมฐาน กรรมฐานเกิดจากครูอาจารย์ที่สอนผู้เจ้าเป็นบรมคูรูจนมาถึงผู้เทียนไปไหนลงผู้เทียนพาไปถ้าไม่มีหลวงผู้เทียนก็ไม่ได้เชิญเป็นแันนี้ก็ถือศกสนาอยู่แต่ไม่รู้พหลวงผู้เทียนมาสอนกรรมฐานให้รู้จักพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รู้จักบุญรู้จักบาปเลือกได้ ยังเป็นลูกสิธ์ที่มีครูจริงๆมาใช่เราดีคนเดียวคุณพ่อคนแม่เป็นครูของเราหลวงพ่อเทียนเป็นครูของเราผู้เจ้าบุรโมวคูไม่อยู่แล้วเลยเราไม่รู้อาศัยอนอื่นมาอาศัยบุญถุตงาตายไปแล้วอาศัยจะได้สวรรค์นี่ปานแต่ว่าตายไปแล้ว พอมาฝึกกรรมฐานมันมีเดี๋ยวนี้บัิจดตังเวคิดภูวิญญาณที่สัมผัสได้เดี๋ยวนี้จิตว่างเดี๋ยวนี้จิตสงบเดี๋ยวนี้จิตเย็นเดี๋ยวนี้หมดทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่ทุกข์เดี๋ยวนี้มันก็จะสัมผัสเดี๋ยวนี้มีชีวิตอยู่วันเดียวประเสริฐขั่วคนมีชีวิตน้อยปีถ้าพุทธไม่ทำนำไปไม่มชีิตอยู่วันเดียวประเสริฐกว่าคนมีชีวิตน้อยปีไม่รู้ทำ นี่คือชีวิตปัจเจต์อย่างนี้อนันวิชากรรมฐานเป็นวิชาศักดิ์สิทธิ์อนันตเป็นคนดีได้สมควรเจริญเวลานะกลับนบะ้าพร้อมกัน